<c oughs> เป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันี่คัอเป็นวันีคือเป็นการประกาศยอมรับว่าบุคคลคนนี้มีจรงิงโลกเป็นการประกาศเป็นการที่สำคัญถ้าเราย้อนหลังกลับไปศึกษาหรือถ้าจะมีโอกาสได้กลับไปทอินเดียพียการที่อยู่ที่อินเดี ย, ย, ใ, ดยใช้ตัวนี้ดีกว่าตัวดิมิตง เราจะเห็นความความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่คนที่ค้นพบประวัติพุทธศ า, าสนาในอินเดียไม่ใช่ชาวพุทธนะแต่เป็นชาวชาวอังกฤษท่านเซอร์อะไรจำาชื่อทำไม่ได้ละสมัยที่ประเทศอังกฤษปกครองอินเดียท่านเป็นคนค้นพบแล้วก็ท่านเป็นคนที่ นำจารึกต่างๆที่เสาอาโศกอาจจะมาได้เคยไปดูมาครั้งหนึ่งเสาอาโศกถูกเตะจะพังหมดละวนะก็พอท่านก็ให้คนไปศึกษาแล้วอ่านแปลออกมานะซึ่งก็ถือว่าเป็นการและท่านก็ยอมรับว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ผู้ประกาศศาสนามีตัวตนจริงๆมีจารึกาจารึกวัดชัดเจนแล้วก็ อย่างที่กล่าวแล้วคือว่าผู้ที่เป็นคนประกาศยอมรับในเบื้องต้นนั้นก็คือเป็นฝรั่งเป็นชาวคลิปนะไม่ใช่เป็นชาวพุทธเหมือนพวกเรานะแล้วก็ท่านได้ค้นพบสถานที่ต่างๆแล้วมีการจารึกเลยมีการปักเหมือนก็ปักเขตเหมือนที่เราได้ศึกษาในในตำรับตำราอาตมาได้กลับไปดูที่อินเดียทำรู้สึกทราบสิ่งเออที่เราอ่านอ่านมาว่าตอนที่พระเจ้าตัสสรู้แล้วยืนตรงนั้น อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาปักเขตตามที่จารึกไว้ในอาสาวอาโศกเท่านั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นอาจจะเป็นกล้าที่กำลังกำลังแช่น้ำมันนี้ฝนตกด้วย <laughs> อาจจะ เป็นกล้าพันดีหรือพันไม่ดีก็ไม่รู้วันนี้เรามีโอกาสนะมีโอกาสโชคดีนะได้มาปฏิบัติธรรมในถ้มกลางฝนในถ้มกลางป่าป่าเป็นป่าป่าที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตย์แล้วก็ตัดสู้แล้วก็ตายในป่าก็คือพระพุทธเจ้าวันนี้เราก็มาอยู่มาอยู่ได้มาอยู่ป่าเพราะนั้นวันนี้มาย้อนกลับไปเมื่อสองพันถ้าถ้าเป็นข อ, ของของของไทยเนี่ย 2,559 ปีแต่ถ้าเป็นของคนเขมรของคนศรีรังกาเขาจะเป็น260ละไอ้2560ปี 2,560 ปีเขาเขาจะเร็วกว่าเรานะไม่รู้ขั้กันยังไงไม่ทราบเหมือนกันยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้เราก็มาหวนระลึกนึกถึงผู้เจ้า ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ได้ทรงได้ค้นพบนะมีอยู่คำคำหนึ่งที่เวลาในในครั้งพุทธกาลเวลาที่พระเจ้าพระองค์ประกาศธรรมคนในครั้งนั้นน่ะส่วนมากจะเป็นจะเป็นคนต่างศาสนาจะเป็นคนที่นับถือศาสนาอื่นอยู่แล้วพอได้ฟังคําของพระเจ้าแล้วเกิดได้ดวงตาเห็นธรรมหรือเกิดทราบสัญญาธรรมะเขาจะเปล่งคำคำออกมา เกือบจะทุกเรื่องที่ในก่าไว้ในในในพระไตรปิฎกก็คือว่าพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ที่หงายของที่คว่ำนะเปรียบเหมือนผู้ที่บอกทางกับคนที่หลงทางเปรียบเหมือนผู้ที่เปิดไฟในห้องมืดเผื่อคนตาดีจะได้มองเห็นพระเจ่าไว้อย่างนี้นะ ทรงหายของทรงหายของที่ควา่าทรงบอกทางให้คนที่หลงทางและก็ทรงเปิดไฟในห้องมืดเพื่อคนตาดีจะมีโอกาสมองเห็นได้บ้างเพราะนั้นพุทธจ้าพระองค์จิงชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ทรงแสดงสัจจะคือสิ่งที่เป็นจริงในโลกที่คนทั่วไปมองไม่เห็นอย่าง่ยาย ง, ง่าย ความแก่ความเจ็บความตายถ้าถามว่าเรามองเห็นไหมเห็นแต่ยังไม่แจ้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นแจ้งต่างจากเราพระองค์ไม่ได้เห็นเหมือนตาเรานี่เห็นแค่ตาเนื้อแต่พระเจ้าเห็นด้วยตาตาคือปัญญานะจะขุ่จะขู่ของท่านนั่นคือจักสุ ป, ปัญญาคือไม่ใช่ตาเนื้อเหมือนพวกเราแต่เป็นตาปัญญาเห็นทะลุลงไปถึงความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ยังไง มันเดือดร้อนยังไงพระองค์มองเป็นตรงนั้นแต่เรามองเห็นก็เออแค่คนแก่คนเจ็ บ, ค น, จบคนตายเป็นเรื่องธรรมดานั้นพระองค์จึงบอกว่าพระองค์ทรงไงยไง่ของที่ข้ามบอกทางให้คนที่หลงทางบอกแกเราทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายความแก่ความเจ็ บ, ค ว, จ บ, ค, วจบความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกอย่างงี้งี้โปรงบอกเราถ้าให้คนอื่นมาบอกเราคงไม่เชื่อเพราะว่าเราก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมเราก็มีตาเห็นเหมือนกัน <laughs> ไม่ต่างจากคนอื่นแต่อย่างที่บอกคือพระเจ้าพระองค์ได้ทรงเป็นผู้งายของเที่ยงข้ามแต่นี้ประเด็นตรงที่ว่าพระองค์ทรงเปิดไฟในห้องมืดเพื่อคนตาดีจะมองเห็นบ้างเราก็มีตาแต่เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมในความหมายของพระองค์คือว่าธรรมตาดีคือว่ามีโอกาสที่จะมีมีทุลีในดวงตาน้อยนะมีโอกาสได้เห็นธรรมนั่นเองพูดง่ายๆนะดังนั้น พระองค์ได้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่อย่างที่เราสวดไปแล้วนะใ น, ในบทสวดมนนะต์เปิดดูก็ได้นะบทสวดมนต์ที่เราสวดไปอิศิบิโศ ะ, ะหน้าที่พระคุณของพระองค์มีทั้งหมดเก้าประการนะ ประวัติยมคงรู้แล้วมั่งพูดประวัติพุทธเจ้านะคงรู้แล้วไม่ต้องเล่าแล้ว <laughs> อย่างทราบไปเปิดอ่านในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะว่าเป็นลูกของใคร <laughs> มีภรรยาชื่ออะไรมีบุตรชื่ออะไรไปเปิดอ่านเอาเองกหน้าที่หน้าที่สามนะ阿拉หังสัมมาสัมพุโทโธ หนึ่งอลหังสองสัมมาสัมพุทธโธสวิชาจรณะสัมปันโนสี่สุขโตห้าโลกาวิทูหอนุตรโรปุริสธรรมสารถิเจสัทธาเทวมนุษย์สานัง 8. พุทธโธเก้าพัควานี่คือพระคุณของพุทธเจ้าทีนี้พุทธเจ้าพระองค์ท่ง ทรงตัดสั้นนที่อารตระไยไปอินเดียที่โพพุธิคยานะต้นโพต้นโพต้นเนี้ยต้นที่พระธเจ้าทรงตัดสั้นเขาบอกว่าเป็นต้นที่สามไม่ใช่คือต้นต้นหนึ่งเขาบอกว่าต้นหนึ่งจีิมีอายุประมาณเจ็ดร้อยปีตอนนี้ผ่านมาแล้วสองพห้าร้อยกว่าปีเขาถือว่าเป็นต้นไม้ที่อายุมากที่สุดนะ ถามว่าเขารู้ได้ยังไงอันนี้เป็นการเป็นการทดสอบของฝรั่งเองเขามีการเป็นทดสอบเขามีการาใช้ทางหลักการวิทยาศาสตร์เป็ทดสอบพราะว่าจนเขาสื่อว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีช่วงโคตรผ่านมากี่กี่ยุคเจ็ดร้อปีกี่ครั้งแล้วถึงขนาดนั้นะนะนะเพราะฉะนั้นตรงตรงนั้นน่ะอาอตมาอาตมาได้ไปมานะอันนี้พูดถึงความอัศจรรย์เล็กน้อยคือ คือไปพอเข้าไปเหยียบปั๊บเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในดินแดนของของผู้บริสุทธิ์นะมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงนะทําให้ขนลุกนะขนลุกเหมือนเวลาเราเข้าไปในบ้านล้างอะ่ะเหมือนขนลุกคล้ายกันเข้าไปน้ําตาไหลมีความรู้สึกปลาดเปรื่มได้เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะอ า, อาจจะมาไปจำวัดไปจําวัดที่วัดวัดพุทธคยาห่างกันห่างกัน ถ้านั่งรถก็ประมาณเกือบๆนั่งรถสามล้ อ, ลอนะประมาณสักเกือบสิบนาทีอะ่ะมีวันหนึ่งอนุมาณก็เดินมาจากบัสตอนตีสี่เดินคนเดียวนะเดินมาเดินมามาถึงใช้เวลาเดินเกือบสาสิบนาทีก็จะมาถึงประมาณเกือบตีห้าแล้วก็เลยเข้าไปนั่งก็มีคนตอนนั้นมีคนมาเยอะแล้วนะคนเริ่มมานั่งตามบุตมตาม่ตางๆสวดมนต์อะไรกันนะ ก็เราไปนั่งแล้วก็ไปนั่งกูใกล้ๆตรงที่เขาเคารพโลหลกไว้ว่าเขาบอกตรงนี้เป็นเป็นแท่นอาแท่นวชช ะ, ะอาจคือเป็นแท่นที่พระเจ้าทรงนั่งแล้วก็บรรลุธรรมอาตอมาก็ไปนั่งใกล้ๆแล้วก็นั่งหลับตาพยายามนึกเหมือนว่านึกย้อนหลังกลับไปถึงวันที่พระเจ้าพระองค์สมถตรัสรู้ทาให้ได้ความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมคน ต่างๆมากมายจึงเดินทางมาตรงนั้นกันนะแม้กระทั่งอย่างพระทิเบศเนี่ยแต่ละปีเนี่ยท่านจะหนีหนาวจากทางทางท่านที่อยู่ท่านก็จะลงมาตรงนั้นแล้วก็มาเพลียนเพียนอาจามาได้ไปคุยกับท่านท่านบอกว่าท่านมาตรงนี้จะต้องมากราบกราบแบบของเขาเนีคืออัตังข้าบดิษน่ะกี่หมื่นครั้งแทนที่เขากราบน่ยที่เป็นเป็นแท่นไม้นะ จะมาไปดูบางบางของบางรูปเนี่ยแท่นนิสสุกเลยเพราะเขาจ ะ, ม, ะ ม, มีมีมือมีเป็นเหมือนลูกล ก, กิ้งอ่ะเหมือนไม้ใช่มือจับสองข้างแล้วก็กลมไปกันลากคูดไปถ้าไม่เช่นนั้นนะมือคงจะพังหมดละเราไปเห็นแล้วก็เกิดความแบบเห็นเห็นทั้งความเพียรแล้วก็เห็นทั้งความสัจธาที่ท่านตั้งใจจึงทําให้เราเห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานนะสองพันห้ารกว่าปี แต่แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากศรัทธาเกิดขึ้นจากการเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระเจ้าเนี่ยคนต่างๆแห่เห็นกันไปไปไ ป, ไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นน่ซึ่งอย่างที่บอกคือแม้แต่ฝรั่งเองเนี่ยเขาก็มีการยอมรับว่าเหมือนฝรั่งคนหนึ่งที่คนเขียนอ่า uh, the light of asia เขาบอกว่าศา ส, สนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาเดียวที่เขาบอกว่า มีสถานที่เกิดเก่เจ็บตายของผู้ตรัสรู้ธรรมนะจางชัดเจนแล้วก็ตามที่ต่างๆบนทีบรรูุธรรมที่แสดงธรรมต่างๆก็มีการค้นพบทางศิลาจารึกนะเพราะนั้นพอเราพูดถึงพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญในข้อที่ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้มาศึกษาพระศาสนา สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใกล้พระ อ, องค์พระโลกนิตตัดว่าเหมือนครั้งที่พระวักะลินะวักกะลีเนี่ยเป็นเป็นชายหนุ่มที่วันหนึ่งเดินไปผ่านไปทางวัดเห็นคนกำลังนั่งล้อมล้อมวงดูชายคนหนึ่งก็เข้าไป ใ, ใกล้ก็เปนั่งเห็นโอ้เห็นพทธเจ้ากำลั ง, งตอนนั้นไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ไปนั่งฟังพทธเจ้าเทศ ฟังเทพไม่รู้เรื่องนะแต่ศรัทธาในพทธเจ้าก็คือเห็นรูปทรงว่าท่านเป็นคนที่สง่างามมากนะเห็นแล้วประทับใจไปทุกวันเลยแต่ไม่ได้ไปฟังธรรมไปดูพทธเจ้า <c oughs> ไม่ั้งดูพระเจ้าจนวันหนึ่งก็คิดว่าทำยังไงเราจะมีโอกาสได้เห็นทุกวันก็เลยมองดูแล้วตอบอ๋อเห็นพระบวชก็เลยไปขอบวชจะได้จะได้เห็นพระเจ้าทุกวัน พระพุทองค์ก็ส่งอนุญาตให้บวชเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าต่อไปอนาคตเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมได้ก็สรงอนุญาตให้บวชพอบวชไปวันวันไม่ทําอะไระไปนั่งดูแต่พระเจ้านะจนสุดท้ายพออินทรีย์แก่กล้าพระเจก็ส่งไล่ไล่หนีนะบอกว่าเธออยู่ตรงนี้ไม่มีประโยชน์ใดะละบังคับใเธอหนีไปเถอะนะพระวกก็ตัดเป็นบอกว่าการที่เธอนะมาจับชายภาคของเราเนี่ย เราก็ไม่สามารถพาเธอไปสวรรค์ได้นะและพระอง์ก็ตัดเ ป, เป็นคำสรุปว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจึงจะเห็นเรานะพระเวรคุลีก็เลยปฏิบัติตามที่พระอง์บอกสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเช่นเดียวกันปีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าทำยังไงเราจะเห็นธรรมนะปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราท่านทุกคน บางก็มีทุลีในดวงตาโยมไม่ทราบมีมากแอัตามามีมากทุลีในดวงตามีมากคือมองมองไม่เห็นธรรมนะแม้จะอยู่วัดมาแต่เป็นเด็กเป็นเนรมาจนทั้งทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเห็นธรรมหรื อ, อยังนะเห็นธรรมที่จะสามารถช่วยดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเห็นหรื อ, อยังก็ยังไม่แน่ใจนะแต่แน่ใจว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มีจริงนะสามารถช่วยให้คนได้บรรลุ ธ, ธรรมได้จริงแต่ว่าตัวของเราเองตัวอาตมาเองเนี่ยการที่เราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเรานี้สามารถได้เข้าไปใกล้หรื อ, อยังนะในการที่จะได้เห็นธรรมะอย่างแท้จริงแต่มีอันหนึ่งที่หลังจากที่ได้มา สนใจด้านการปฏิบัติทำให้ได้เห็นข้อแตกต่างระหว่างการอยู่ตามปกติกับการได้มีโอกาสได้เข้ามาสู่สายของการปฏิบัติธรรมมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่ น, อ ย, อ, อ, นนะอย่างเมื่อก่อนนะอย่างเมื่อก่อนนี้เราเรียนธรรมะเนี่ยเราเรียนเพื่อที่จะได้รู้เพื่อเอาไปสอบสมัยก่อนสมัยเป็นเนรเป็นพะ ตนอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เรียนบาลีแปลบาลีรู้หมดนแต่ว่าอลาหังเทวะอะไรสัมมาสัมพุโทโธคืออะไรวิชาจริญสัมโนวิชาสามเจริญสิภาษามีอะไรบ้างก็จะแปลออกมารู้ความหมายของศัพท์แต่ละศัพท์แต่ละศัพท์แต่ว่าเราก็ยังมีสามารถที่จะเข้าใจเนื้อความแท้จริงว่าคืออะไรนะแต่หลังจากที่เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ได้เห็นไม่ใช่เนื้อความของธรรมะโดยตรงแต่เป็นเนื้อของการที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความรู้ในแง่ที่ว่าทำให้เราตัวของอาตมาเองเนี่ยได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกนะ เพราะมีคําคําหนึ่งที่อาตมาจะพูดบ่อยๆแล้วก็เป็นความประทับใจส่วนตัวตั้งแต่เป็นเนน mm hmm. ก็คือคําที่ว่าอินซีสังวรพราะชอบภาษาไทย mm hmm. พวกองใช้คําว่ า, าระวังเวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นจะถูกความยินดียินร้ายครอบงําซึ่งสมัยก่อนเราก็เรียนภาษาบาลีด้วยรีนภาษาไทยด้วยก็เลยวิเคราะห์ยินดี ยินร้ายเวลาคนจบปริญญาใช่ไมเราจะมีการแสดงความยินดี congratulation ถือดอกไม้ไปช่อดึงไปมอบให้ยินยินอยู่ที่เราดีอยู่ที่เขาเขาเขาได้รับเขาจบปริญญาคือความดีที่เขาเราไปยินดีกับเขาตอนนี้ยินร้ายก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะ ยินดีนี่คือแสดงความยินดีคือชอบใจชอบที่เขาดีประสบความสาเร็จเปานปยินดีกับเขาด้วยทำไมทำไมภาษาภาษาแปลที่เขาแปลออกมาว่าระว่างเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นจะถูกความยินดียินร้ายครอบงำก็เลยมาดูคำ ว, ว่ายินร้ายยินอยู่ที่เราร้ายอยู่ที่อื่นนั่นก็หมายความว่าเราชอบความไม่ดี มันจะทำให้เกิดความสนใจแล้วพอได้มาปฏิบัติปับ๊บพอไปศึกษาในบทที่เราได้แปลกันไปแล้วตอนเช้าๆคือสริประฐานสูตรในแต่ละบทที่พระอาจารย์ท่านได้ท่านได้เล่าให้ฟังไปแล้วในทั้งเรื่องของธรรมอายกายเวทนาจิตธรรมในตอนท้ายของแต่ละบท พระองคจะตัดไปชัดเจนสำทับลงไปทุกข้อเลยว่าอาตาปีสัมปะชาโนสติมาอภิชาวินัยวินัยยะโลเกอภิชาโทมานัสสังการที่เราท่านทั้งหลายมามีความเพียรมีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติก็เพื่อเฝ้าระวัง หรือถ่ายถอนความยินดียินล้ลยออกไปนี่เองมันทำให้เกิดมีความรู้สึกซาบซึ้งในคำโอ้จากคำง่ายๆที่เราเรียนมาตอนเป็นเนนเป็นบทเรียนอิซีเรื่องอิสีสังวรพอเข้ามาสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นหลักใหญ่หลักสรุปสุดท้ายว่ามันอันเดียวกันเลยว่าวิถีชีวิตพื้นๆธรรมดาจนกระทั่ง ส, สู่การสูงสุดพระองค์ก็นาจากง่ายๆไปสู่เรื่องสูงสุด เรื่องเดียวกันคือว่าระหว่างเพียงแค่สองเรื่องก็คือความยินดีกับความยินร้ายจะมาครอบงําก็คือถอนนั้นออกให้ได้ตอนนี้พอได้มีโอกาสมาปฏิบัติเมื่อก่อนเมื่อก่อนปฏิบัติม า, มาหลายมาหลายแบบนะพอมาจะแบบวัตถิษฐนอีกแบบหนึ่งก็ทําให้ได้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะท่านจะเน้นเรื่องของเวทนาอย่างที่อาจารย์ท่านจะเน้น บ, บ่อยๆเรื่องของเวทนามันก็เลยชัดสรุปตรงไปนั้นเลยว่า เวทนาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางรูปธรรมนางก็ตามมันก็ให้ผลก็สองอย่างใช่ไหมทุกครั้งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายหรืออารมณ์ทางใจก็มีที่สองเรื่องก็คือเรื่องที่ชอบกับไม่ชังชอบกับชังให่้เองและคืออะไรก็คืออภิชาตธรรมนัสสังถ้าชอบก็ยินดีถ้าชังก็ยินร้าย นัะจุดจุดนี้แหละมันเป็นความในส่วนตัวอาตมามเป็นความรู้สึกเปลี่ยนนะทำให้เกิดความรู้สึกเปลี่ยนในแง่ที่ว่าทำให้ทให้มีความรู้สึกหันกลับไปมองพระเจ้าว่าสิ่งที่พระองค์สอนเนี่ยที่พระองค์เป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่ทรงหลายของที่ความสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งพืิน ก็เราเราทานข้าวเราเราเห็นเราได้ยินเราสัมผัสได้กลิ่นได้รสก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่เราจะต้องยินดียินรลน์เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอมาสู่หลักการปฏิบัติปับ๊บมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเพราะทุกครั้งที่ยินดีที่ยินรลน์เขตามมันได้เพิ่มอย่างที่อาจารย์ที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยถ้ายินดีก็เป็นอะไร เป็นลาคะใช่ไหมเป็นโลภะถ้าย็นไลก็เป็นเป็นปฏิฆะเป็นโทสะโดยมีโมหะเป็นตัวควบคุมเพราะนั้นประเด็นตรงนี้ปั๊บมันจึงทำให้พอพอตอนหลังเนี่ยที่จะมาปฏิบัติธรรมมาทำให้มองมีมุมมองอีก ม, มุมมองหนึ่งว่านั่นก็หมายความว่าวิถีชีวิตปกติของคนเนี่ยการที่เรามีความรู้สึกแค่ยินดียินดีมีความสุข มันไม่พอละเพราะตัวครั้งที่ไปยินดียินดีมีความสุขเรากำลัลงเติมราคะตลอดเวลาเลยราคะโลภะราคาโลภะตลอดเวลาซึ่งอีตัวนี้ก็คือเป็นเป็นสมุดไทยคือบอกเกิดของความทุกข์แต่เบื้องต้นอา้าวถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าแค่เราตั้งค่าว่าตั้งค่ า, วาความอยากว่าตร ง, งนู้นตรงนี้เรากํลาลังตั้งค่าของความ ทุกที่เรามีรู้ตัวเระฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจึงเป็นสำหรับส่วนตัวธรรมานะจะมีความรู้สึกทราบซึ้งในในพุทธเจ้าตรงที่ว่าอ๋ออันนี้นี่เองที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีความสุขก็เพราะอันนี้นี่เองทั้งที่เราก็มีก็สะดวกสบายทุกอย่างวัดก็มีอยู่อาหารก็มีฉันค่านั้นราไฟไม่ต้องจ่ายแต่ทำไมเราถึามียังมีความทุกข์อยู่ล่ะก็เพราะอันนี้นี่เองเพราะความความยินดีที่เรามีเนี่ย เราไม่ได้เฝ้าระวังใช่ไหมเรายินดีแล้วมีความสุขแล้วแต่ไอความสุขตรงเนี้ยมันเป็นตัวเกิดความชอบมันก็ไปเข้าขายของมันข้ามข้ามข้านไปอย่างที่อาจารย์ท่านพูดอ่ะเราไม่มีพอดีตรงกลางใช่ไหมมันข้ามจากสุขเลยข้ามจากข้ามจากสิ่งที่เราเสพเป็นความสุขแล้วเราก็ไปเจอก็ไปเป็นการสั่งสมนิวร์ที่เราไม่รู้ตัว เพราะนั้นวิถีชีวิตประจําวันที่เราอยู่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะนิวรันไม่ใช่เกิดเฉพาะตอนที่ปฏิบัติธรรมนะเราสังสมแต่ที่บ้านแล้วใช่ไหมนิวรันที่เคยชินเราทําทุกวันอยู่แล้วการดูทีวีการทานอาหารการหลับนอนการอะไรทุกอย่างแล้วแต่เรากําลังส่งเสริมการมาชันทะการมาชันทะการมาชันทะการมาชันโดยที่เรามิรู้ตัวเพราะเป็นเรื่องปกติไงมันก็เปเรื่องปกติที่เราจะต้องทําอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะนั้นพอพอเรามาศึกษาธรรมเราจะเห็นคำคำหนึ่งที่ว่าทวนกระแสธรรมะของพระเจ้าเนี่ยต้องทวนกระแสเท่านั้นเหมือนปลาทวนน้ำปลาที่เป็นเนี่ยมันจะไม่ไว่ายตามน้ามันจะว่ายทวนน้าธรรมะของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นจุดเนี่ยในส่วนตามาจึงมีความจึงมีความรู้สึกคือคือ คือพยายามจะมองหาอะไรที่มันเป็นมันเป็นประเด็นแล้วก็จับทำให้ตัวเองสนใจแล้วก็เป็นเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็อ่าเห็นว่ามันตั้งแต่ชีวิตประจำวันของเราที่เราเป็นอยู่นี่แหละแล้วมันก็สามารถเข้าไปสู่สูงสุดได้ในระดับที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพอเราพอเรามานึกถึงพทธเจ้าเนี่ยในส่วนตัวตัมมาจะมีความรู้สึก ทราบซึ้งและก็เห็นความสําคัญในเรื่องของการปฏิบัติอย่างทุกวันนี้ก็แม้ว่าไม่ได้ปฏิบัติอุกฤษหรือว่าเต็มร้อยเปเซตแต่แต่ในจุดจุดหนึ่งที่ ท, ที่มีการเฝ้าระวังเนี่ยเราจะเห็นอันหนึ่งก็คือว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็คือ หนึ่งอย่างที่บอกอย่างที่เราเามื่อวานก่อน ท, ที่รายงานให้ทรานอาจารย์ทราบก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยความเคยชินที่เรามีนะเราสมม ต, สมมติสมมติทานอาหารเนี่ยชันชันข้าวเนี่ยความเคยชินเราก็จะมีความชอบความอยากความอร่อยความความอยากความอร่อยความชอบมันจะอยู่ในนั้นหมดนะแล้วมันจะมีอีกตัวตัหนึ่งก็คือว่า ถ้บาบางครั้งเร า, เร า, เราอยากทานอยากฉันแต่มันไม่อร่อยอีตรงนี้แหละมันจะมีปัญหาคือว่ามันจะเกิดปฏิกะคือรู้สึกถึงไม่แสดงออกแต่มันคุณอยู่ในใจวันนี้มันไม่ค่อยถูกใจมันไม่ค่อยได้ดักใจแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ า, าอวดอะไรให้ฟังนะคือไม่ถึงว่าเพราะการการเฝ้าระวังในการที่เราพยายามเฝ้าระวังและศึกษาเนี่ยมันทําให้เห็นอีกตรงนี้ว่า แม้ถึงไม่อร่อยไม่ค่อยถูกใจไอ้ตรงนั้นมันไม่ค่อยเกิดไอ้ไอ้ตรงที่ไม่ค่อยไม่ไม่ได้ดังใจมันไม่ค่อยเกิดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ฉันอะไรนั้นจะไม่จะไม่เติมอะไรเลยคือคือฉันได้หมดเลยจืดก็ฉันได้แต่แต่จะไม่จะไม่เน้นเค็มไม่ไมยถึงว่าอันนี้เรื่องคนสุขภาพไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าปรุงรสอะเพืดอง่ายๆคือเรื่องการปรุงรสเนี่ยทุกวันนี้จะไม่ทำไม่ทำไม่ทำก็ได้ไม่ทําเลยก็ได้ แค่ไห้แค่นั้นอย่างอย่างาง่ายๆอย่างสมมติเอาต้องถั่วมาสักถ้วยหนึ่งไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้จิตจิตก็ฉันได้นะไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้ทุกได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่แบบว่ามันพอถ้าเราไม่สังเกตตรงนี้นะเราเราจะไม่สามารถจะทำได้ พอเรัเกตตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันทำให้มันเพราะเพรา ะ, ารเพราะมีการเพราะเรามีการเฝ้าระวังมันทำให้เรามองเห็นมองเห็นข้อข้อสำคัญในแง่ที่ว่าถ้าเราไม่ทำอย่างเงี้ยเราจะทุกข์มากทุกข์เพราะเรากำลังเพิ่มพูนโดยที่เราไม่รู้ตัวทำางนี้ก็เป็นการช่วยช่วยตัวช่วยตัวของเราเองนี่แหละไม่ให้เป็นการเติมเพิ่มอยู่ตลอดเวลานะเพราะนั้น พอพอเราทําอย่างนี้ปั๊บประเด็นการการการปฏิบัติธรรมในส่วนตัวของอาตมานะมันมีความสําคัญทั้งนแงเ่ของการการศึกษาการฟังและการปฏิบัติไปพร้อมกันถามว่าทําไมอย่างอย่างคำบางคำอย่างคำเทศบางคำอย่างอาตมาเอาไปฟังหลวงพ่อพระธารมเทศไม่แน่ใจหลวงพ่อพระธรรมทศหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่ ท่านพูดเปรียบเทียบเปรียบเทียบมาเห็นถึงว่ากิเลสที่เกิดเกิดไม่เกิดเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไงท่านติดเทียบง่ายว่ายูสมมุติเราเราตบเขา่าตบเขา่าเสียงหายไปแล้วใช่ไหมความเจ็บหายไปแล้วสมมติตีแรงๆนะสมมติตีแรงๆเ่ยสมมติเอาค้อนก็นได้มาคอนมาตีที่แรงๆสมมตินะ ความเจ็บไอค อ, อนตีหายไปแล้วแต่ความเจ็บยังอยู่ใช่ไหมความเจ็บยังอยู่หรือถ้าตีแรงมากความเจ็บหายไปแล้วกระดูกแตกอาจจะเป็นแผลเป็นแผลเป็นยังอยู่นะท่าเปาเรียบเทียว่ากิเลสก็เหมือนกันนะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราอร่อยทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เราอร่อยแล้วชอบไม่อร่อยแล้วชั ง, งใช่ไหม ชอบจบไปแล้วช่างจบไปแล้วแต่กิเลสมันไม่จบมันเก็บสะสมไว้เป็นอาสะวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราทุกครั้งที่พออย่างที่หลว ง, งพ่อท่ า, านพูดเมื่อวานที่เทศบาลติณสือชอบมากคือเนี่ยมันทําช่วยทําให้เราเฝ้าระวังในการปฏิบัติจริงในตอนตอนฉันข้าวตอนทานอาหารหรือตอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอริยาบทย่อยเนี่ยพอเคี้ยวออนแข็งนุม่ม อ่อนหวานอร่อยแต่ระวังเรื่องความชอบจะเกิดขึ้นมาพอถ้าเกิดเราไม่ระวังปับ๊บเราชอบปับ๊บเราได้กิเลสหนึ่งตัวไม่พอเก็บสั่งสมไว้เป็นอาสวะต่อใช่ไหมแต่อย่างที่บอกคือมันยากอยู่แล้วแหะมันยากที่จะทําอยู่แล้วแต่ประเด็นอยู่ตที่ว่าการที่เราพยายามเฝ้าระวัง คือคือเอตมาอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ในป่ายอย่างนี้นะประเด็นอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเพราะธรรมชาติมันช่วยธรรมชาติมันช่วยเนี่ยสภาพเป็ล้อมมันช่วยมันช่วยในแง่ที่ว่าสมมุติเรื่องอาหารอย่างงี่ายเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าใครจะมาหรือไม่มาอันนี้คือความดีตรงที่ว่าเราไม่คาดหวัง มาแค่ไหนแค่นั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งอันที่สองก็คือว่าเมื่อมาแล้วเราฉันได้หรือฉันไม่ได้เราก็ไม่คาดหวังคือมันเป็นความเคยชินในการตั้งเป้าแล้วก็พอเราทํา ล, ลงมือทําปั๊บเนี่ยมันจริงไม่มจริงไม่เกิดเหมือนที่ว่าสมมติสมมุติเราตั้งค่าว่าโอเคสมมุติวันนี้ไปร้านอาหารไปร้านอาหารถ้าเราไปร้านอาหารเราก็ต้องตั้งเป้าไว้ว่าจะต้อง อ, อร่อยใช่ไหม เกิดไปแล้วไม่อร่อยไปย็นไงผิดหวังแน่นอนผิดหวังนี่ผิดหวังนี่อย่าคิดว่าเราไม่ได้โกรธไม่ใช่นะมันเป็นส่วนหนึ่งของปฏิฆะคือโกธะปฏิฆะเป็นส่วนหนึ่งของโทสะโดยที่เราไม่รู้ตัวถูกไหมมันเริ่มมาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าข้อไหนก็นแล้วแต่เหมือนเหมือนกับการปักป้าย เป็นการเขียนป้ายเขียนป้ายเตือนไว้ตรงนี้หลุมนะตรงนี้บอ่อนะนะตรงนี้มีขยะตรงนี้มีเศษแก้วนะแต่พอชีวิตจริงน่ยมันมนี่ป้ายปักละใช่ไเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญตรงแง่ที่ว่าทายังไงพอวิถีชีวิตจริงเนี่ยเราพยายามจะปรับปรับธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่เนี่ย ให้มันเอื้อก่อการที่เราจะสามารถไม่ไปเพิ่มความยินดีจินไล่มากจนเกินไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอนึกถึงนึกถึงพระเจ้าส่วตัวตมานะก็จะนึกถึงถึงข้อเนี้นึกถึงความยินดียินไล่แล้วนึกถึงไปถึงหลักการปฏิบัติมันส่วนตัวตัมมาจะคิดว่าเออนั่นก็หมายความว่าการปฏิบัติเนี่ยมันคงไม่ยากเกินไป เพราะเพราะมันก็อยู่แค่ยินดีเยนร้ายนี่เองความรู้สึกนะมันก็แค่นี้เองแค่ยินดีเย็นร้ายแต่แต่เราจะได้แค่ไหนมาอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นตรงเนี้ยในในทุกวันนี้ในส่วนตัวตมาก็เลยมองกลับย้อนไปอีกทีหนึ่งถึงคาสอนของพุทธเจ้านใ น, ใ น, ใ, นในหลักของอย่างที่เราสวดมนต์ไปแล้วในตอนเช้าเนี่ยก็คือทั้งปฏิสังขายโย่ทั้งอชัมยา การโยองยองยอง่างโยมก็เป็นที่ไว้ก็เป็นเสื้อผ้าใช่ไหมเป็นเสื้อผ้าเป็นอาหารเป็นที่อยู่อาศัยอยารักษาโลกที่อยู่อาศัยก็ทั้งรถบ้านอะไรก็แล้วแต่นะสี่อย่างเนี้ยเรียกว่ า, าเรียกว่านิสินัตปัจจเวคณะพระองค์บอกว่าต้องใช้ด้วยปัญญาต้องใช้ด้วยปัญญา พระอารยก็เลยก็เลยนําข้อนี้มามามาถือปฏิบัติส่วนตัวก็คือว่าทุกครั้งนะเจ้าหอมจีวรก็ต้องก็เอาบทปฏิสังขโยเนี่ยมาใช้ก็คื อ, อเราจะนุ่งห่มเพื่อปกปิดป้องกันหนาวแดดร้อนปกปิดวัยวะอนันนาละอายไม่ใช่เพื่อแค่สวยงามนะความสวยงามก็เป็นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า เป็นผลพลอยได้เหมือนโยมใส่เสื้อผ้าเนี่ยความความดูดีเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้พอพอเราเรามองไปหลายๆมุมในเรื่องของคําสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยมันก็ทําให้เราได้แง่คิดหนึ่งแง่ที่ว่าคําสองของพระพุทธเจ้ามีมากมายนะผู้องค์หยิบมาอยู่หนึ่งอันนะหยิบมาหนึ่งคำแล้วก็ถามพระว่า ใบไม้ในกำมือก็ในป่าในมากกว่ากันนะาคก็บอกว่าใบไม้ในป่ามากกว่าพวกก็บอกว่าสิ่งที่เราสอนน่ยแค่แค่ในกำมือเพราะฉะนั้นโยนก็เหมือนกันก็ต้องจิบสักอย่างหนึ่งคําสัอนพระเจ้าไรสักอย่างที่จะเป็นเหมือนคติประจําใจอะอาตมาก็จิบเอาตัวนี้ยินดียินร้ายมาเป็นคติส่วนตัวแล้วก็หาวิธีการทํำยังไงที่มันจะช่วยทําให้เราได้เลิกลดละได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากการไปรปฏิบัติ ด้วยวิธีการต่างๆแล้วแต่วิถีชีวิตประจําวันของเราที่เราเป็นอยู่เนี่ยทำยังไงจะช่วยตรงนี้ได้เนีเพราะนั้นเวลาเรามานึกถึงพระเจ้าวันสำคัญสําคัญนะก็อยากจะฝากโยมไว้ว่าพอได้ถึงพระองค์เนี่ยเราจะ อ, าอะไรมาเป็นปฏิบัติบูชาหรือเป็นเครื่องนึกถึงว่าเหมือนกับเรานึกถึงใครสักคนเหมือนสมมติ นึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์สมมติร้องนะนึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งของพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงสายยันหรือว่าถ้าเอ็นเวิเพสลีย์ก็ต้องนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันพอนึกถึงพระเจ้าส่วนตัวละส่วนตัวแต่ละคนหนึ่งก็คงจะมีอะไรสักเรื่องหนึ่งแหละทีะ่เป็นแง่คิดเป็นหลักปฏิบัติที่เราจะนํามาปรับใช้ในชีวิตปัจจำวันของเราเนี่ยให้มันให้ไม่ได้ผลมากยิ่งขึ้น นอกจากที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือประสบการณ์อาตมาเองนะเพราะว่าเพราะบางครั้งบางทีเราปฏิบัติไปเนี่ยมันเบื่อนะมันทุกคนมันต้องมีละอาตมาคิดว่าต้องมีเบื่อคือบางทีทำทำไปเหมือนมันตื้อเอ๊ะทำไปแล้วมันมันมันได้แค่นี้มันเห็นไปถึงไหนเลยก็รู้สึกเน่ยมันได้แค่นี้เองอะมันอยู่ตรงนี้เองเลยแต่ทนี้พอเรากับมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอ๋อ เรายังมีอุปกรณ์สำรองอยู่นี่ก็คือยินดียินร้ายอะไรอย่างงี้นะคือมีอุปกรณ์สำรองอยู่ อ, อ๋อเรามีเรายัง ม, มีบทพิจารณาทั้งสี่ข้ออยู่ไปสังเข้าวอยู่อยู่เรายังมีบทสำรองอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวช่วยเหมือนกับเราทานอาหารนะ่ะทานข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้จะไม่ต้องมีกับกับอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีกับหลาย ๆ, ๆ, ๆ, <ắng> ๆ, ๆกับใช่ไหมกับหลายๆกับก็ยังไม่พอต้องมีหวานใช่ไหมหวานยังไม่พอมีผลไม้ อันนี้ก็เช่นเดียวกันในก็ลองก็ลองพิจารณาดูนะว่าท่านยังไงเราจะเวลาเรานึกถึงพทธเจ้าเราจะนึกถึงพระองค์ในแง่งที่ว่าเราจะเอาจุดไหนมาช่วยเตือนใจของเราให้เราได้ได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะว่าอาตมาเชื่อว่าโยมไม่สามารถที่จะนึกถึงหลวงพ่อทีเลงได้ตลอดเวลาใช่หม แล้วก็ไม่สามารถปฏิบับนนติกับท่านได้ตลอดกับท่านได้ตลอดเวลาเพราะนั้นก็มีชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นอีตรงนี้แหละทํายังไงเราจะมีเราจะดึงสิ่งที่มีอยู่ในคําสอนของพุทธเจา้าเนี่ยมาเป็นเครื่องประจําใจเมื่อเราห้อยพระนะนึกถึงแล้วมีพระอยู่อยู่กับมือก็อุ่นใจนะอย่งเมื่อก่อนตมามา อ, อยู่นี่ใหม่ๆนะอยู่คนเดียวอะเวลาเดินไปทางนู้นนะมื <laughs> มดใช่ไหมก็มีพระสักองค์เดินไปก็อุ่นใจ <laughs> เาพาเราต้องมีพาพราอยู่ในใจ น, นั่นแหละก็คือมันมันต้องมีนะอย่างอย่างพูดได้ฟังนิดหนึ่งคือตอนเมื่ออยู่ใหม่ๆเนี่ยมันอยู่คนเดียวก็จะรับว่ากลัวผีนะพรอหยบบริษายี่หัวร้อนนี่พาเอากลัวผีได้เนะพราะว่ามันมืดพออยู่คนเดียวเนี่ย น่ากลัวนะเพราะต้นมสมัยก่อนต้นนี้ยังไม่ได้สร้างใช่ไหต้นไม้จ ะ, จะทึบหมดเลยจะมืดมืดมากทาไงอยู่คนเดียววันหนึ่งประมาณตักหนึ่งทม่มมันก็เริ่มมืดแล้วได้ยินเสียงดังก๊กใครมาเคาะเรียกแอบดูที่ไหนได้ไอ้นกหัวขวาตัว เ, วเล็กไปเคาะบนหน้าต่างอะ่ะเคาะตนอนไหนไปอเคาะไปเคาะไอ้ตรงก็ไอ้ตรงไอ้ตรงลูกอ่า ล, ลูกกงลูกกงไอ้ตรงไอ มูลวดอ่ะอีตรงติดขอบเหล็กอ่ะก็ไม่ไหนก็ติกหญิงทีนรก็นี้แล้ววันต่อมาบอกวันน้าในห้องน้ําผู้หญิงไงนะบางครั้งจ้าโคลบเนี่ยลงไปแล้วแต่ว่ามันมีบัฟโบไปอยู่ในอยู่ห้องนู้นนะตุ้มตุ้ใครมาเตีอะไรแถวนี้ก็เลยหาวิธีการก็เลยไปฟังพ่อพุทธทาสท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยท่านไปอยู่ที่ชัยยาที่สุนโมกอะ ตรงนั้นน่ะมันเปรี่ยวแล้วก็มันเป็นวัดล้างแล้วก็มีสิงสารสาัตว์น่ากลัวท่านก็บอกท่านก็บอกวิธีว่าทําไงจะไม่กลัวท่านบอกท่านก็เลยไปอยู่ตรงที่งแจ้งก่อนที่จะมืดอยู่ตรงยิงแจ้งก่อนที่จะมืดให้มันมืดก็จะไม่กลัวแล้วบอโอ้ดีจริงพอจะเริ่มหกโมอแลมาก็ไปนั่งนั่งตรงหลวงพอ่อนั่งสวดมนต์คนเดียวจนถึงสี่ทุ่มถึงเคยเข้ามาเออย่างงี้ไม่กลัวถ้าแบบนี้ไม่กลัวเดินมามืดๆสบายไม่กลัวแต่แจ้งแต่ไม่ไปมืดๆแต่ท่านนึกกลัว มันจะกลับกันเลยนะวันะนั้นเราก็ต้องหานี่พูดถึงว่าเราต้องหาวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่ในการในการดำเนินชีวิตเนี่ยถึงบอกเราจะมีพุทธเจ้ามีพุทธเจ้ามีพุทเจ้ า, จาแต่อย่างที่บอกคือว่าบางทีท่านก็อยู่ไกลเราเกินไปใช่ไหมเพราะนั้นทำไงเราจะจับเอาสักประเด็นหนึ่งอย่างที่บอกคืออาตมาก็จับประเด็นตรงที่ว่ายินดียินไลายเพราะอาตมาชอบทั้งภาษาไทยยินดีมันมีความหมายยินดียินดีก็คือเราเข้าไปเกี่ยวข้อง ยินเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉนั้นเราเข้าไปเกี่ยวข้องทั้ง ท, งที่ทั้งที่ดีและที่มีดีเพราะฉะนั้นในี่ใครได้บอกว่าฉันเกลียดทุกฉันไม่อยากเป็นทุกไม่ใช่ฉันรักทุกเพราะเรายินดีกับความทุกเรายินยินลายไงใช่ไหมเพราะนั้นเราจึงมีความทุกเพราะนั้นตรงนี้แหละวันนี้เป็นวันก็พูดสเพเห็นละวันนี้เป็นวันวันประสูตรนะร ป, ประสรู้ปรินะิพานนะของของพระเจ้า หลวงพ่อพระธาตุใช้คําเดียวกันเลยท่านบอกว่าวันวันนี้แหละที่ พ, พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติก็คือทรงเกิดนะเกิดเป็นพุทธเจ้าแล้วก็ตรัสรู้ก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็ น, นิพพานคือดับกิเลสคือตายในวันนี้แหละวันเดียวกันหลวงพพระธาตุใช้แบบนี้นะก็คือประสูติตรัสรู้แล้วก็นิพพานนะอีกนิดหนึ่งขอแทนนิดหนึ่งนะจุดเลยเวลา ในในอรียสัตย์ข้ออข้อข้อแรกนะดีย๋ายากจะอยวจะไล่ฟังนิดหนึ่งเพราะว่าจะมาะได้ได้อ่านตรงนี้แป๊บ็มันจะมีความรู้สึกทราบซึ้งในในในข้อนี้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งคือข้อทุกข์เนี่ยนะที่เราสวดกันนะ่ะชาติไปทุกข์ขาชาลาไปทุกขามานันลำบาทุกครังความความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์อันที่สองคือโศกะ ประเดทวะทุกขโทมนอุปายาตเป็นทุกข์อันที่สาก็คือปิเยหิสัมบย โ, ฆ โ, ฆโคทุกโขปิปิปเยหิและยํงปิชังเป็นทุกข์เราสุดท้ายคือสังคิเตนะปัญจุปาทานคันถาเป็นทุกข์ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยในสุดโตอาห์นะคืออ่านท่องเรยก็ไม่เข้าใจอ่านท่องเรยก็ไม่ไม่ไม่เก็ตเนะ่ยเราไม่ต้องพูดถึงแ ง, ง่ปฏิบัตินะเอาเอาแ ง, ง, ง่เอาแง่ภาษาก่อนให้มันเข้าใจเนะนี่ยแต่ทนี้ไปอ่านหลายครั้งฟังหลายๆครั้งปั๊บ มันให้เห็นมองเห็นเลยว่าข้อแรกอะชาจิตปิฏกขาชราปิุกขามเป็นทุฏ ก, ก, กขังเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อันนี้คือธรรมชาติทุกข์โดยธรรมชาติคือธธรรพระเจ้าพระองค์มันรู้จะเอาคำไหนมาเป็นม า, มาแทนค่าคําอาการที่มันแก่เจ็บตายเนี่ยเขาใช้คำว่าทุกข์นะทุกข์โดยธรรมชาติอันที่สองก็คือโสกกะปริเทวะทุกขโทมนัส เศร้ที่ใจร้องไห้อันนี้ทุกข์เพราะความรู้สึกอันที่สมเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจพัฒนาจิตสิ่งที่ถูกใจแล้วก็ไม่สมปรารถนาอันนี้ทุกข์เพราะความอยากอันสุดท้ายสังคีเตเดชนะบรรจุปาทานนักขันธ า, าทุขานักขันธาทุกขาอันนี้ทุกข์เพราะการยึดถือพอพ่อพอาตมาอ่านหลายครั้งเป็นมาทัศท่าให้มองเห็นในมุมที่ว่านั่นก็หมายความว่าไอ้ข้อแรกเนี่ยธรรมชาติเนี่ย ธรรมชาติเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ทุกนะแก่เจ็บตายไม่ใช่ทุกเหมือนเหมือนเราจะบอกว่าเกลือนี่จะต้องเค็มพริกจะต้องเผ็ดน้ําตาลจะต้องหวานอันนี้คือค่าของมันเพราะฉะนั้นแก่เจ็บตาย <Okay. S 1> ก็คืออาการที่มันแก่มันเจ็บมันตายนั่นแหละคืออาการเป็นอย่างนั้นคือลักษณะของที่มันเป็นทุกเพราะนั้นเราต้องเป็นทุกไหมเราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกอันที่สองคือ ทุกเพราะความเพราะความเพราะอารมณ์ก็คื อ, ค อ, คอรู้สึกเพราะความรู้สึกรู้สึกเสียใจร้องไห้เศร้าโศกเพราะตอนที่มันเจ็บมันตายใช่ไหมอันที่สามทุกเพราะความอยากคืออยากได้อย่างนี้ไม่อยากได้อย่างนี้แต่ไปเตียวอย่างนั้นไม่สมปรารถนาอันที่สามมีความอยากอันสุดท้ายทุกเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ในสุตตานิบาตพออ่านปั๊บเนี่ย มือนเหมือนจะตัดสิลูกเลยนะมันมันทำให้มองเห็นทุกทั้งที่เราเนระไม่ได้นะแต่เรามองเห็นทุกมันเหมือนแยกทุกเลยได้ออกแล้วทุกอันแรกเนี่ยเป็นทุกของของของธรรมชาติอาการแก่เจ็บตายเหมือนต้นไม้ที่มันผุมันโค่นลงมันมันเปื่อยมันเน่ามันแก่นะอันที่สองทุกเพราะแค่อารมณ์อารมณ์เสียใจร้องไห้เศร้าโศกอันที่สาม ทุกเพราะความอยากเราอยากได้ไม่สมปรารถนาแต่สุดท้ายเนะี่ยก็คือทุกเพราะเรายึดมั่นในตัวเราในของของเราอันนี้ก็ฝากไว้ลองพิจารณาดูเพื่ออาจจะได้เห็นแง่อีกมุมมุมหนึ่งก่อนที่จะไปเห็นดวงตาที่เห็นธรรมอย่างแท้จริงก็เห็นดวงตาที่เป็นตัวหนังสือนี่ดูก่อนนะเพื่อจะได้อะไรที่ขึ้นมาเล็ ก, ลกน้อยนะ <c oughs> ก็สเ ป, ปรย์ละป้าอาจารย์ ดูบ้างกันดิใชบัเรามาจังนะแบบนี้แบบนี้นถามมันจะหมดหรือเปล่าอาจารย์ดครับถามมันจะหมดยัเต็ม